หละมาพบกับท่านบุฟังอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุโนจากวัดป่าตอนหาโศกมาพบกันทุกวันแหละเพราะว่ากิเลสมันไม่อยู่ทํางานเลยวันเสาร์อาทิตย์วันจนันทร์ขณะตอนนอนมันยังทํากิเลสนี่มันสามารถที่จะทำสิ่งใจเราให้มันจับจ้ำนำใจไม่มีความสุขได้กิเลสตนณาวิชาเนี่ยนะเพราะนั้นเราจึงมาพบกับท่านบุฟังทุกวันเพื่อที่จะมาเปิดมันออกให้ เราได้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหนเห็นแล้วรู้แล้วนั่นคือการที่เราจะเห็นได้รู้ได้เนี่ยพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องเครื่องตรวจตรวจหาเจ้าหั ว, หวลูกศรคือตานานี้ก็คือสตินั่นเองเราเห็นแล้วรู้แล้วมันอยู่ตรงนี้เราก็หยิบมันออ ก, กตัดมันออกชำระล้างมันเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดการกับกิเลสในใจของเราได้แต่ซึ่งในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ย คนเราที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนล่ะไอสิ่งที่มากระทบภายนอกนี่มันก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศบ้างเรื่องของสุขภาพบ้างเรื่องของคนใกล้ตัวบ้างอะไรบ้างอันนี้มันก็ไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมของระบบโลกเขาแต่ผู้ที่จะเข้าไปรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคือตัวเรากระบวนการที่เราจะมารับรู้อารมณ์ว่าอันนี้มันเป็นสุขมันเป็นทุกข์เราควรจะทุกข์หรือสุขมันดีเนี่ย มันอยู่ที่จิตของเราดังนั้นหลักการในการแก้ปัญหาที่พระเจ้าสอนเนี่ยคือแก้ที่ถั่วของเราแล้แก้ที่ถัองเราก่อนการที่แก้ที่จิตของเราได้แล้วดีแล้วไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนจะเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่ันนี้ก็จะไม่มีปัญหาแตการฝึกในที่นี้ก็จะเป็นการฝึกใจฝึกจิตฝึกกายของเราให้มันดีขึ้นการที่ได้ามาฟังมาฟังรายการธรรมะหรือว่าอาจจะอ่านหนังสือธรรมะ าการที่ได้คิดไกล้ครวนนั่งสมาธิปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยจึงเป็นการที่จะช่วยได้ทั้งสิน้นให้ใจของเรานั้นสามารถพ้นจากให้ความทุกข์ทั้งปวงได้โดยในการฟังธรรมแต่ละวันนั้นเนื้อหาแน่ น, นอนมันมีเรื่องเดียวธรรมะเนี่ยมยีเรื่องเดียวต่ำังนั่นก็คือเรื่องของสติเนี่ยถ้าเราจะพูดเป็นแง่เดียวมุมเดียวก็ได้เรื่องของสติถ้าคุณจะพูดมากมายหลายอย่างขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญามาขึ้นไปอีกก็ อ, อริยสัจสี มาขึ้นไปก็อริยมรกมีองค์แปดแมากไปเลือกโปชงเจ็อะไรต่างๆมีเยอะแยะไปหมดมีหลายข้อหลายอย่างหลายแบบเพราะฉะนั้นการจําแนกแจกแจงเนี่ยมันมีได้มากมายอนเนกประยายแต่การฟังธรรมนั้นมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่จะทําให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกความคิดความนึกต่างๆเหล่านั้นผู้ชาใช้ศัพท์ว่าโล ก, กุตระใ น, นโล ก, กุตระเนี่ก็คือเหนือโลกเหนือโลกนี่ไม่ใช่หลุดโลกนะบางคนหลุดโลกกับเพี้ยนๆไปนิดนึงไม่ใช่อย่างนั้น แต่เหนือโลกเนี่ยก็หมายถึงเหนือการที่จะต้องถูกโลกนั้นครอบงำอยู่แต่กระแสแห่งโลกเราทราบกันอยู่ข่าวสารเรื่องการเมืองข่าวสารเรื่องอินเทอร์เน็ตมาทางโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างคนใกล้ตัวบ้างเทคโนโลยีบ้างนี่คือเรื่องโลกที่มันจะมาท่วมทับฐาทขเราได้เราจะอยู่ในโลกอย่างไรรับกระแสโลกอย่างไรให้เหนือในตรงนั้นเหนือจากการควบคุมของมันเหนือจากการที่เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจ ของสิ่งที่เป็นโลกโลกตรงนั้นนะเพราะว่าสิ่งไหนเป็นสุขละ่ะสุขเราก็ทามันไปสิ่งไหนเป็นทุกข์เราก็ขยักขยันกระเียดจังอ่าอันนี้ เ, เรียกว่ายัางถูกโลกควบคุมอยู่แต่ถ้าเรามีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามเราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นคุณอยู่ในกระแสโลกแต่ว่าหลุดจากการครอบงาของโลกได้อันนี้ เ, เรียกว่าโล ก, กุตระคือเหนือเหนือจากการควบคุมของมันแเราทําจริงอย่างนี้ได้ด้วยการฟังธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะที่มีหลากเรื่องหลายประเด็นเนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าลนะนที่จะใช้ช่องทางมานําข้อมูลต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเราจะมาพูดถึงเรื่องของป ร, ริญติที่ไม่เป็นงูปิษนะป ร, ริญตาสิ่็หมายถึงข้อมูลที่คุณต้องเรียนต้องศึกษาอยู่ในหนังสือก็ตามอยู่ในตามหลืบสมองอยู่ในตามข้อ ง, งอต่างๆเซลล์ประสาทพวกนี้ก็เรียกว่าป ร, ริญญาทั้งสิน้นะอยู่แล้วนั่นะจะทําอย่างไรล่ะไม่ให้เจ้าความรู้ความเรียนเหล่านั้นกลายเป็นงูพิษที่จะมาทําร้ายตัวเราทําร้ายจิตใจของเรานะจิตก็ส่วนหนึ่ง สมองก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่สมองมีความรู้ความเรียนมากแล้วเราก็เข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ถึงความหมายลึกซึ้งที่จะเป็นใบพืชกันเหนือโลกเป็นการเพื่อจะหลุดพ้นจากการควบคุมของกระแสะโลกได้แล้วเรากับเอาข้อมูลเหล่านี้นะไปให้อยู่ในตามกระแสะโลกนะให้มีการติ่มแทงกันบ้างการที่จะเอาชนะกันบ้างมันก็จะกลายเป็นควาผิดไปเข้าใจไม่ถูกกับปฏิบัติผิดจิตใจแทนที่จะเย็นลงวางลงมีความจำชัดมากขึ้นก็ เป็นไปนในทางตรงกันข้ามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงูพิษแต่วิธีการที่จะแก้พิษงูต ร, ตรงนี้ก็ต้องมีกระบวนการกระบวนการในที่นี้ก็คือการที่ทําปริยัติที่ไม่ให้เป็นงูพิษให้เกิดขึ้นได้ปริยัตินั้นจะไม่เป็นงูพิษได้นั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเราจะเข้าใจปริยัติคือเรื่องที่เป็นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยจริงๆพระเจ้าเนี่ยสอนด้วยการปฏิบัตินะคือให้ศึกษาไปด้วยให้ปฏิบัติไปด้วยแต่าการศึกษาด้วยการปฏิบัติ เร่เว่าเป็นการทําศึกขาเราเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราศึกษาด้วยการปฏิบัติอันนี้ถึงจะดีแต่ข้อมูลที่มีและข้อมูลที่มีนะั่นคือปริยัติอย่างเดียวถ้ายังไม่นํามาปฏิบัติปริยัตินั้นก็ต้องนํามาปฏิบัติด้วยนํามาน้อมเข้าสู่ใจลใจจะรับการนอบน้อมตรงนี้ได้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มากๆเลยพระพุเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของกัลายาณมิตรกัลายาณมิตรนั้นก็คือเพื่อนดีนั่นแหละ ในสัปดาห์ ก, อก่อนๆพระพเจ้าได er ้พูดถึงเรื่องของการสมานมิตรไว้นหมายก็ว่ามิตรแบบไหนที่เราควรจะสมานมิตรแบบไหนที่มันไม่ใช่มิตรละแต่มันแฝงตัวมาเป็นมิตรอันนั้นไม่ใช่มิตรจริงๆแต่เป็นมิตรเทียมเป็นคนเทียมมิตรเราก็ได้แยกยายกันไ ป, ไปนั่นคือเรื่องของกัลยาณมิตรใช่ไหมตัวคนเป็นเป็นที่เป็นคารวาสเป็นเพื่อนเราที่จับต้องได้พูดคุยกันได้อย่างนั้นก็มีอยู่ในยะหนึ่งอันน้นก็เรียกกัลยาณมิตรอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน วันนี้ก็จะมานําเสนอถึงเรื่องของกาลยานมิตรในอีกแง่มุมหนึ่งเนื่อเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะ น, นะผู้เช่าเคยพูดถึงเรื่องของกาลยานมิตรเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นเหมือนกับรุ่งอรุณแลนะรุ่งอรุณของอไร่รุ่งอรุณของอริยามารรคมีองแปดแต่คือการที่จะสามารถทําอริยามารรคมีองแปดให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเขาจะต้องมีกาลยานมิตรผู้นะเช่าเคยพูดถึงไว้แต่กาลยานมิตรนี้พูดไว้ก็ในประสูตรหนึ่ง อีกพระชนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องอื่นเช่นเรื่องของศีลคุณต้องมีศีลคุณถึงจะจะเรียมักแปดให้ดีได้อีกนัยยะหนึ่งพระเจ้าก็เลยเคยตรัสถึงเรื่องโยนิโสมรัสิการการทําในใจโดยแยบคายการทําในใจโดยแยบคลายทําอย่างดีแล้วเขาก็จะทำบาริยมักมีองค์แปดเกิดขึ้นได้หรือว่าบางทีก็พูดถึงว่าเรามีศรัทธาแต่ศรัทธานั้เป็นเหมือนรุ่งอรุณคําว่ารุ่งอรุณ น, นั้นหมายความว่าอย่างไงในทางดาราศาสตร์หรือว่าในทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ย เขาจะมีการวัดรุ่งอรุณกันอันนี้เป็นข้อมูลที่กัมพเจ้าได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคือเขาพูดถึงว่าแสงที่มันจะโผล่ขึ้นมาตอนขอบฟ้าเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นถ้าเราเห็นแสงสีขาวอยู่ที่ขอบฟ้าก็แสดงว่าดวงอาทิตย์นั้นเนี่ยเขาทํามุม12องศานะครับจุดสัมผัสของโลกตรงนั้นที่เรามองไปทํำมุม12องศาเราจะเห็นแสงสีขาว ข, าวขึ้นมาแล้วถ้าเผิดว่าดวงที่มันใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมานะทํามุม6องศา ก็จะเริ Nowadays, ่มเปลี่ยนปรากฏเป็นแสงสีทองอยู่ที่ขอบฟ้าตรงช่วงนี้เขาเรียกว่ารุ่งอรุณแล้วคือในทางดาราศาสตร์เนี่ยพระอาทิตย์จะขึ้นเขาก็นับตั้งแต่ตอนจะมีแสงสีขาวนั่นเองแต่ทีนี้พระอาทิตย์จะขึ้นเต็มดวงเลยนั่นคือคุณเห็นเนื้อพระอาทิตย์ขึ้นมาที่ขอบฟ้านั่นเนีนั่นคือจังหวะที่ดวงอาทิตย์ทํามุมศูนยองศากับโลกกับจุดที่คุณมองอยู่นั่นคือศูนย์องศาคือเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์จากจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงนั่นคือขอบด้านล่างของดวงออาาาทิตยย์เนลป้้ขบฟม อันนี้เขาก็จะมีระบบไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงตอนกี่โมงนนี้คือเรื่องของการรุ่งอรุณในที่เขาจะขึ้นมานี่คือเรื่องในทางดาราศาสตร์แต่ว่าจะเห็นแสงสีทองกับแสงสีขาวก่อนที่จะเห็นตัวดวงอาทิตย์จริงๆแสงสีทองแสงสีขาวที่ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าตอนที่ดวงอาทิตย์ทำมุม12องศากระบอองศาที่ขอบฟ้าเนี่ยก่อนที่คุณจะเห็นเนื้อดวงอาทิตย์ตัวดวงอาทิตย์จริงๆเช่นเดียวกันก่อนที่คุณจะทําอารยมรคมีองศาให้มันเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เรากําลังพูดในวันนี้คือเรื่องของกัลยาณมิตรคือการที่คุณมีเพื่อนดีเพื่อนดีมันเป็นยังไงเพื่อนดีะเพื่อนดีเราพูดไปแล้วนะว่าที่เป็นตัวคนตัวบุคคลแต่ที่มีคุณสมบัติเอาง่ายๆพูดย่อๆมัะมีอยู่4อย่างคือเรื่องศีลศรัทธาจาระปัญญาใครก็ตามนนี่ระยะที่1นึ่นะท่านนะฟังเรื่องของกัลยาณมิตรแต่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนที่มีศีลมีศรัทธามีจาระมีปัญญาเนี่ย เออพอที่จะเป็นคนที่เราจะคบได้เป็นเพื่อนดีได้รายละเอียดเรื่องของมิตรที่มันดีเนี่ยครัพะเจ้าพูดไว้แล้วแต่วันนี้มาพูดย่อๆตรงนี้ว่าเรื่องตัวบุคคลที่เป็นคนเนี่ยก็มีนินายามที่1นึ่ อ, อซึ่งก่อนที่จะไปนิยามที่2ของกาเลนามิตรเนี่ยทำความเข้าใจกับรุ่งอรุณตัวนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าคําว่ารุ่งอรุณเนี่ยหมายว่ามันยังไม่สว่างนะยังไม่สว่างดีคือถ้าปริทิกขึ้นมาเต็มดวงเนี่ย อย่างเวลากลางวันพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเรามันสว่างไปหมดเหรอแม้แต่ตอนสายๆเดือนเจ็ดโงแปโมงก็สว่างแล้วเนี ก, ก็เห็นสิ่งต่างๆทํางานอะไรต่างๆได้เริ่มทำกิจการงานกันไปแต่ตอนช่วงที่มันโปรโปล레이เนี่ยจะมืดจะสว่างจะมืดจะสว่างในช่วงนี้คือรุ่งอรุณไหนคำว่ารุ่งอรุณก็คือยังไม่สว่างเต็มที่มันยังมีจุดที่มืดๆอยู่อย่างพระสงฆ์เวลาที่เขาจะไปบินดาบาเนี่ยก็มีก็โดยอาจารย์ได้เคยอธิบายเอาไว้ เอ๊พอเห็นแสงสีขาวที่ขอฟ้าแล้วไปบินธบัตได้เลยไหมแตนะ่หรือว่าต้องรอตอนกี่โมงตอนต้องดูพระอาทิตย์ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าซึ่งในยะตรงนี้บางท่านก็ให้ความเห็นว่าเอางั้นก็เอามือออกมาดูแบบมือขึ้นเนี่ยแล้วก็ห่างไปประมาณ30ซนเมตรจากดวงตาของเราเนี่ยนะดูที่ฝ่ามือของเราถ้าเห็นลายนิ้วมือแสดงว่าสว่างพอละพอที่จะเห็นลายนิ้วมือของของตัวเองแต่ถ้ายังไม่เห็นอันนั้นแสดงว่ายังไม่สว่างพอยังไปบินธบัตไม่ได้ อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ความเห็นว่าอย่างนี้แล้วก็คือมันยังไม่สว่างนั่นแหละยังไม่สว่างเต็มที่เมื่พูดถึงเรื่องที่เวลาพระไปบิณฑบาตตอนยังไม่สว่างเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันมาแล้วท่านฟังอันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เคยพบกับตัวเองแต่มีครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านก็นอนกลางวันทีนี้นอนกลางวันงท่านนี่ก็คือตั้งแต่ตอนบ่าย3ามบ่ายสี่โมงนอนกลางวันไปแล้วลุกสึกตัวขึ้นมาลุกขึ้นมาตอนประมาณห้าโมงหโมงเย็นเนี่ย ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันเป็นเวลาไหนก็แน่ว่ามันเริ่มขําแล้วเริ่มโปรเพลย์แต่ก็เลยเข้าใจผิดว่าเป็นเวลาที่จะต้องไปบินบาตเป็นเวลาที่ต้องไปฉันก้าวแล้วก็ถือบาตถือกระติกน้ําอะไรออกมาเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดไปแต่เพราะว่ามันดูคล้ายๆกันแต่ตอนจังหวัดที่มันโปรเพลย์เนี่ยเอ๊ะมันจะมันจะไปสู่กลางคืนหรือมันจะไปสู่กลางวันกันแน่ซึ่งตรงนี้คือเรื่องของความโปรเพลย์ที่ว่ามันอาจจะยังมืดอยู่ได้ใ้ความมืดมันยังมีอยู่ เช่นเดีวยวกันบางทีเราปฏิบัติตามปริญญาิมัม่ง8 แ, แต่แน่นอนบางทีมั่ง8มันยังไม่เต็มที่จุดตรงนั้นมีบ้างไม่เต็มที่บ้างทําได้ไม่สามัคคีกันบ้างยังไม่ปรากฏเด่นชัดบ้างทําให้บางทีบางด้านในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีมืดๆ ด, ดําๆมีความแบบฟุง้งซ่างขึ้นไม่สงบมีความที่ใจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีความทุกความเดือดร้อนในใจจากเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆก็เจ็บจีด๊ดปวดใจ มีความทุกข์ใจร้องห่มร้องไห้เป็นนะถ้าบอกว่าอารยมามรรมีองแปดมันยังไม่เต็มที่มันยังเมื่อยอยู่แต่ถ้าเรามีการยาณมิตรเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องนะการยานมิตรบ้างการถึงพร้อมด้วยศีลบ้างการมีโยนิโสมนัสิการบ้างอย่างที่ว่าไปอันนั้นจะทําความแจ่มชัดธรรมอาริยมรรมีองแปดก็คือเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่มันขึ้นมาทําความสว่างสวยในใจของเราได้แต่ถ้าในกรณีที่มันยังไม่ชัดเจน ยังไม่ชัดเจนหมายความว่าดวงที่ยังขึ้นไม่เต็มดวงหมายความว่าอาริยมังมีองค์แปเรายังทำได้ไม่เต็มที่มีหลุดตรงนี้บ้างเพลสตรงนั้นหน่อยเรามีกาเลนามิสเนี่ยเรามีองคุณต่างต่างเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้จากที่มืดเนี่ยจะค่อยๆสว่างขึนตอนโปรเลสเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าพระที่จะตกดินหรือพระที่จะขึ้นกันแน่เพราะมันโปรเลสใช่ไหมถ้าบอกว่าเรามีกาเลนามิสอันนี้จะเป็นทําให้พระที่เป็นขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเพื่อนชั่ว อันนี้เหมือนพระอาทิตย์จะตกดินจากสว่างมันไปมืดแต่ถ้าเรามีกระเลณมิตรจากมืดมืดมันจะมาสว่างได้มันจะมาดีได้เพราะฉะนั้นถ้ามันยังมืดมืดอยู่มันก็ธรรมดาท่านฟังบางทีเรามีภัษา ท, ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นบ้างอะไรบ้างจิตใจมันเปะ๋ะหลุดออกนอ ก, นอกทางคิดชั่วคิดไม่ดีไปบ้างแล้วก็ทําค่อค่อยๆทําให้มันสว่างขึ้นในถ้าเราอยู่ในทางอย่างน้อยเรายังอยู่ในทางอย่างน้ตถ้าบอกว่าเรามีกระเลนมิดเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าอแสงสีทองที่ขอบฟ้าเนี่ยมันเป็นพระอาทิตย์ขึ้น มันไม่ใช่พระอาทิตตกคือถ้าบอกว่าเรามีเพื่อนชั่วนี่คือพระอาทิตตกนะแต่ถ้าเรามีเพื่อนดีนี่คือพระอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นรุ่งอรุณจริงๆเพราะฉะนั้นเพื่อนดีเนี่ยนอกจากในยะแรกที่กล่าวไปถึงเรื่องของคนที่อย่างย่อๆวะก็มีศีลสตาจาระคปัญญาละก็ลยมิตรในอันที่สองนึงก็อาจจะหมายถึงครูบาอาจารย์หรือว่าคนที่เหนือกว่าเร า, าคือมิตรเนี่ยบางคนก็จะให้ความจำกัดเฉพาะว่าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเรา อายุอาจจะมากน้อยก็ช่วงช่นี้อาจจะมีเพื่อนที่แก่บ้างอ่อนบ้างอายุมากบ้างอายุน้อยบ้างเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในนัยยะที่2นี้ก็คือเอ า, เอาพระพุทธเจ้าหรือว่าเอาครูบาอาจารย์หรือเอาหมู่สงเป็นเพื่อนเราได้แระพระเจ้าได้เคยพูดถึงว่าใครก็ตามที่มีตถาคตเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรอันนี้ก็จะไปดีหรือว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรนั่นคือคนที่จะชักจูงชักนําเราไปในทางที่ดีนั่นคือเพื่อนดีเนี่ย หนึ่งในคุณสมบัติของเพื่อนดีใช่ไหมที่พูดถึงว่าชี้ทางสวรรค์ให้ห้ามเสียชะบาให้ตั้งอยู่ในความดีซึ่งตรงคุณสมบัติตรงเนี้ยของความเป็นเพื่อนดีเนี่ยเหมือนกับของพระสงฆ์เลยเนี่ยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ชี้ทางสวรรค์ให้อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังทําสิ่งที่ทได้ไปแจ่มแจ้งห้ามเสียชะบาให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีเหมือนกัน เพะนั่นนอกจากคารวาสที่เป็นเพื่อนเราอาจจะรุ่นเราคราวเดียวกันอันนี้ก็ในยะที่1ยังรวมถึงพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าบุคคลที่เหนือกว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เราหรือว่าใครก็ตามอ่ะที่คุณคิดว่าเขาเป็นคนดีปฏิบัติดีประโยชนชอบเราอาจจะไม่เคยเจอเขาเลยแต่ว่าอ่านผลงานงานการเขียนของเขาเอ่อโด้ศึกษาชีวประวัติของเขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วพวกนี้เราเอามาเป็นก็เลยยังมีตายแต่คือไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นตัวเป็นตเราเห็นนกุ้ยได้ ในกีอันหนึ่งนะในอที่2นั้นก็คือเอาเนี่ยล่ะครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะเห็นหรืออาจจะล่วงไปแล้วอย่างหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่มรณภาพไปแล้วเออเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นกัลนามิสก็ได้พูชา ข, าของเรามรณภาพไปแล้วปริจุบันที่านแล้วเอาท่านเป็นกัเลนามิสก็ได้หรือวาจะเอาครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เรามีศรัท ธ, ธาความรักความเคารพในท่านเอาท่านเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เอาท่านเป็นกัลนามิสก็ได้ตรงนี้ยังรวมถึงหมูส่สงฆ์ด้วย แต่ถ้าเราพูดถึงสงฆ์ครูบาจารย์เนี่ยก็ต้องรวมถึงหมู่สงฆ์ด้วยนะก็ อ, อาจจะเป็นหมู่เพื่อนที่เราไปวัดด้วยกันในอย่างในวัดเนี่ยก็จะมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรใช่ไหมถ้าเรานับถือครูบาจารย์องนี้แต่เป็นครูบาจารย์แล้วน้าหมู่ของกลุ่มนั้นอนี่เป็นกัเลนามิตรได้น้าหมู่ที่มีครูบาาจารย์เนี้ยเป็นผู้นําแล้วเราจะเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นกัเลนามิตรก็ด้วยก็ได้แต่ถ้ามีอายุรุ่นราวคาวเดียวกัน มีคุณสมบความเป็นเพื่อนที่ดีมีศีลสันตตาชาคาปัญญาอันนี้ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วแตนะ่จะเอาตรงนั้นก็ได้นะที่จะชักจูงพาจิตใจของเรานะให้ออกจากที่มืดไปสู่ที่สว่างคือถ้าเรามีกัลยาณมิตรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปดีไปได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ในะยะที่3ในเรื่องของกัลยาณมิตรนะที่พระเจ้าได้เคยตรัส ก, กับท่านพระอานนท์นะั่นพูดถึงว่าให้เอาอริยมังมีองแปดเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็ได้แต่เนพะราะว่าบางที เราไม่ได้อยู่กับเพื่อ น, นคือเพื่อนเนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไม้มบางทีเขาอาจจะเตือนเราถ้าเราประมาทเรามีความคิดที่ไม่ดีก็ จ, จะช่วยเตือนเราหรือว่าครูบาอาจารย์บางทีเราฟังเทศของครูบาอาจารย์จังหวะที่จิตใจเรายังมีความพิยศความเพลียร้อนเราฟังแล้วก็สงบลงอันนี้ก็ดีทีนี้ถ้าบางจังหวะเราไม่ได้อยู่กับเพื่อนบางจังหวะเราไม่ได้ฟังเทศหรือบางจังหวะเราไม่ได้มีคนที่จะอื่นที่จะคอยเตือนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่สําคัญดีว่าจิตของเรา จะต้องมีอริยามรรคมีองคแปดต่เป็นกระเลนมิตรด้วยเป็นเครื่องที่จะคอยเตือนจิตเตือนใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมให้ไปในแนวทางพอเรามีอริยามรรคมีองคอยู่ในใจเพื่อที่จะเป็นกระเลนมิตร่ให้เราดึงไปในทางดีได้อันนี้มันจะไปได้สามในยะ ต, ตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทํากระเลณมิตรไม่ใช่ว่าจะมาชวนเฉพาะให้ทานอย่างเดียวแต่มันก็นั่นก็ส่วนหนึ่ง ยังต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตนด้วยในเรื่องของศีลในเรื่องของปัญญาในมีสตาก็ต้องมีปัญญาคู่กันไปทีนี้ใน3ระดับที่พูดถึงว่าเรามีเพื่อนที่เป็นตัวเป็นตใช่ไหมพูดคุยได้อะไรได้นี่ก็ระดับที่1ระดับที่2นี่ก็หมายถึงพระพุจ้าหรืบาจารย์หรือว่าคนที่เหนือกว่าเราคนที่เราเห็นว่าเป็นต้นแบบได้ในการที่จะเป็นกัลยาณมิตร เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะตายไปแล้วหรืออา จ, จะเคยเจอหรือไม่เคยเจอก็ตามแต่ศึกษาผลงานเอาสิ่งที่เขาทําที่เขาเป็นเนี่ยมาเป็นตัวชักจูงเราให้ทําตามอันนี้ก็เป็นกรเรนณมิตรในความหมายที่2ในความหมายที่3มันก็คือเอาคุณธรรมเรื่องของอริยมรรคมีองค์แเป็นกรเรนามิตรซึ่งในกรเรนณมิตรทั้ง3ระดับเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความละเอียดลึกซึ้งลงไปครื่องทําทำให้พระเจ้าเนี่ยบอกกับท่านพระอานนท์ ที่ตอนนั้นท่านพระนนคิดว่าการเลนมิทเนี่ยคือความมีมิตรดีเนี่ยเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของการประพฤติปรมาจักรคือถ้าเราจะปฏิบัติให้เหมือนบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคิดว่าครึ่งหนึ่งจะต้องมีมิตรอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมที่จะต้องทําแต่พระเจ้าบอกว่าการเลนมิรเนี่ยเป็นทั้งหมดของปรมอาจารย์เลยเป็นทั้งหมดของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่นถ้าเราเข้าใจในเรื่องการเลนมิตรทั้ง3ระดับนี้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ย ไอ้จุดที่จะทําให้เรามีความประพฤติปรมาจารย์ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ซื่อจริงแล้วก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แแล้วก็จากภายนอกเนี่ยมันเข้าสู่ภายในเพราะจากภายนอกเข้าสู่ภายในเรามีคนชักจูงนําไปที่ดีนะมาเห็นคุณธรรมที่ดีที่ลึกซึ้งเอาตรงนั้นแหละเป็นสิ่งที่นําไปนอกจากไกลมิตที่เป็นทั้งหมดของปรมาจารย์แล้วอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งมีคําหนึ่งที่พุทชาพูดไว้เป็นประเด็นที่2ที่ ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามันสะกิดใจดังนั้พระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องของคนเทียมมิตรแต่คนเทียมมิตรก็คือคนที่ดูเหมือนว่าเป็นเพื่อนแต่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อนแต่คนที่ดูเหมือนว่าจะดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีแซึ่งแน่นอนในทั้ง3ระดับเนี่ยมันมีหมดแต่บคุคคลคนใดคนหนึ่งดูภายนอกดีๆผู้จาก็ดีหยิบของที่ล่วงมาล้างมาปราศัย พูดถึงให้คำมั่นสัญญาในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงบ้างนะีให้คํามั่นสัญญาว่าจะช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่พอเกิดเหตุจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยแต่ทำไม่ได้ไม่สามารถที่จะช่วยได้หรือช่วยด้วยสิ่งที่หารประโยชน์ไม่ได้อันนี้คือลักษณะของคนที่ว่าเป็นมิตรแบบปลอกลอกคนเทียมมิตรแต่ซึ่งมีอยู่ลักษณะที่เราเคยพูดไปเหมือนกันนะ่ะในระดับที่2ที่พูดถึงว่าเราอาจจะมีค ร, าารูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้า พ, พระสงฆ์องค์ไหนที่เราคารบศรัทธาใช่ไหม สมัยก่อนนี่ก่อนที่พุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นะเขาก็มีการบอกกันนะฉันเป็นบ้าอรหันต์ฉันเป็นบ้าอาหารหันต์แต่ก็ยังมีกิเลสแต่มีรากฐานตัวสามโมหะอันนั้นก็เทียมมิตรนะคือเหมือนกับเป็นมิตรจริงแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเอ๊ะไม่ใช่ห ร, รือแม้แต่ไอ้ข้อปฏิบัติในใจของเราในระดับที่สที่พูดถึงอริยมรรคมีองแปดใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอริยมรรคจริงๆมันเป็นมิจฉามรรคอะไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของ การที่เราจะรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเทียมมิดหรือไม่ในทั้ง3าระดับเนี่ยมันจึงต้องมีอุปกรณ์ที่จะตรวจสอบอะไรเป็นเครื่องมือที่จะมาตรวจสอบได้ว่าเอ๊สิ่งนี้ในทั้ง3ระดับเนี่ยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เทียมมิดกนะ็คือเหมือนกับเป็นมิตรแต่งจริงไม่ใช่มิดแท้หรือไม่ในหะลกักเกณฑ์ที่ได้พูดถึงเรื่องของบุคคล เ, เป็นกระวาสเนี่ยก็คือดูพฤติกรรมของเขาในพะระเจ้าได้เคยบ่งบอกถึงว่าคนเนี่ย จะดูว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ดูที่พฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจคือถ้าเราไม่มีเครื่องรู้พิเศษแต่คือเราไม่สามารถกําหนดรู้ใจบุคคลนั้นได้เนี่ยเราก็ดูที่พฤติกรรมของเขาแต่ว่าส่วนใหญ่เขาคิดพูดหรือทําในการกระทําทางกายทางวาจาหรือทางใจเนี่ยอย่างไรซึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าคนที่แบบต่อนหน้าประจบรับหลังนินทาหรือว่าคนที่ออกปากมีแต่คมั่นสัญญาแต่จริงๆแล้วพึ่งไม่ได้แต่พวกนี้เราเห็นพฤติกรรมของเขาละ ว่าก็เป็นคนเตรียมมิรหรือว่าเธอเขามีพฤติกรรมที่ผิดศสียงปิดตั้มอันนี้ก็ถือว่าเตรียมมิตรละเราดูได้ในระดับที่หนึ่งหรือระดับที่สองถ้เราพูดถึงว่าเอ้ยคนนี้เป็นพระราชาจริงหรือไม่พระราชาก็เลยเคยบอกถึงในวิธีการตรวจสอบสําหรับคนที่ไม่สามารถกําหนดรู้วรจิจของผู้อื่นได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัมมาสัมพุทธะหรือไม่วิธีการตรวจสอบด้วยทางตาทางหูก็มีอยู่และด้วยการดูถึงตามมันเศร้ามอง ว่ามีทําเศร้ามองไหมโดยการดูทางตาทางหูว่าเขามีทําที่ผ่องแผ้วไหมแต่ถ้าไม่มีทําที่เศร้ามองมีทําที่ผ่องแผ้วอันนี้ก็ดีก็เป็นขั้นเป็นตอนไปในการที่จะดูหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์พระชาประสงค์ที่เราคิดว่าจะเอาเป็นกลัลยาณมิตรหรือว่าบุคคลที่มีประวัติดีเราอ่านประวัติวิธีการทํางานของเขาเราประวัติเขามาศึกษาหนังสือของเขาแล้วก็ลองอ่านดูลองพิจารณาดูสิ่งที่จะมาเทียบเคียงได้ในลักษณะนั้น นเกณฑ์ในการปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าก็พูดถึงราคาโทสะโมหะเพราะฉะนั้นในระดับที่3มที่พูดถึงอริยมรรคมีองค์แปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าข้อปฏิบัตินี้มันดีหรือไม่ดีเราก็ดูที่ว่าราคาโทสะโมหะเนี่ย oh มันล่อออกไปหรือว่ามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าราคาโทสะโมหะมันลดลงลดลงเออทางปฏิบัตินั้นก็น่าจะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกหรือว่าถ้าราคาโทสะโมหะมันเพิ่มขึ้นเอานี้แสดงว่าไม่ถูกละเป็นกองที่เถียมมิดละ จะนสิ่งที่เป็นตะกุศลธรรมเข้ามาในใจของเราในเรื่องของการณิมิตที่ว่าเป็นทั้งหมดของบรหมจารย์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งแต่สิ่งภายนอกคือแน่นอนบุคคลที่เป็นตัวคนเป็นเป็นเพื่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกถูกไหมแล้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงฆหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกและในระดับที่3ตรงนี้แหละที่เราจะเห็นได้ว่าแม้การณิมิตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ในภายในใจของเราคืออะรมักมีองศานั่นเอง แต่พูดง่ายๆก็คือพึ่งธรรมนั่นแหละเวลาที่เราจะพึ่งธรรมะเราก็ต้องใช้ตนในการกระทำเพราะว่าธรรมะนั้นก็ให้พึ่งตนธรรมะนั้นก็ให้ปฏิบัติถ้าเรามีการปฏิบัติการทำอย่างนี้แล้วกาลยนานมิตรเนี่ยจะเป็นสิ่งที่พาการปฏิบัติของเราให้มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าเรามีมิตรดีแล้วทุ่มฟังถ้าเรามีแล้วใ น, ในทั้ง3ระดับก็จะมั่นใจว่าทุ่มฟังต้องมีละไม่ในระดับใดก็ระดับหนึ่ง อย่างเช่ว่าถ้าเรามีเพื่อนตัวเป็นๆไหนที่เขาเป็นคนดีมีศีลมีสตามีชาข้มีปัญญาบ้างเราก็มีเขาๆเป็นเพื่อนอันนี้ก็ดีแต่ถ้าเราไม่มีเมื่อระดับนั้นอย่างน้อยเรามีครูบาอาจารย์หรือว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราที่เราคิดว่าจะเอาเขาเป็นกัลยาณมิตรในการที่จะปฏิบัติตามอันนี้ก็มีก็ได้นคิดว่ามีได้ก็อย่างเอาผูรูชาของเราเป็นกัลยาณมิตรก็ได้หรือว่าในระดับที่3คุณก็เอาอริยมรรคมีองค์แปก็ได้เราจะต้องมีสักระดับใดระดับหนึ่งอันนี้ต้องมี ทีนี้มีแล้วเนี่ยต้องรู้จักรักษาไว้ให้ดีแตคือถ้าเรามีเพื่อนดีเพื่อนดีบางทีหายากอยากแต่ถ้าเรามีแล้วต้องรู้จักรักษาไว้พระเจ้าได้เคยพูดถึงประเด็นว่าเราควรจะกระทําอย่างไรในเมื่อเราจะรักษามิตรไว้ได้ก็พูดถึงเรื่องของการที่ไม่พูดจาให้เป็นเครื่องให้แตกกันแตถ้าเรามีตัวเป็นคนเป็นเป็นเนี่ยเป็นในระดับที่หนึ่งก็อย่าพูดจาให้มันแตกกันโดยการบางต้นที่เสมอกันโดยการพูดจาไพเราะต่อกัน โดยการประพฤติประโยชน์ด้วยกันแต่ถ้าเขาจะประมาทเราก็ช่วยเตือนช่วยบอกเขาอันนี้เป็นเพื่อนกันแต่ความเป็นเพื่อนกับคนรู้จักกันนี่จะต่างกันแต่ถ้าเราอยู่ในที่ทํางานเรารู้จักกันเราอาจจะไม่ได้แคร์เขาเท่าไหร่เขาจะเป็นยังไงทําไม่ดีฉันก็ไม่ได้เตือนไม่ได้บอกสอนแต่ถ้าเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันแตะไม่ใช่แค่คนรู้จักกันถ้าเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันเขาทําไม่ดีเราจะต้องคอยบอกคอยเตือนเขาแต่ถ้าเขาจะเสียทรัพย์เราก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาท นับถือวงญาติในเกลือของมิตรไม่ทอดทิ้งในยามีอันตรายอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําจะเป็นการรักษาเพื่อนรักษามิตรของเราอันนี้คือในระดับที่1แต่ส่วนในระดับที่2ที่พูดถึงระดับของครูบาอาจารย์พระชาประสงค์หรือว่าพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเพื่อนที่จะรักษามิตรในระดับนี้เอาไว้ก็คือให้ตั้งความเมตตาไว้ทางกายทางวาจาและทางใจให้คอยเปิดประตูต้อนรับเหนือก่อนการคอยถวายอมิสสถาน นะอย่างนี้เจะเป็นการที่จะรักษามิตรวันั้นเอาไปได้มีครั้งหนึ่งผู้ชาเคยถามว่าพระอาหารหันเนี่ยถ้าจะแสดงธรรมให้กับบุคคลเนี่ยจะมีบุคคลให้เลือกอยู่สองคนคือคนหนึ่งมีศรัทธากับคนหนึ่งไม่มีศรัทธาก็จะแสดงธรรมให้คนที่มีศรัทธาฟังก่อนเพราะงั้นการที่เรามีเมตตามีการคอยถวายมิสทาเนี่ยมีการต้อนรับพวกนี้บ่งบอกถึงความที่มีศรัทธาก็จะแสดงธรรมให้คนนั้นฟังก่อนแต่คนที่มีการให้ทานกับคนที่ไม่ให้ทานมีใช้ระดณี เราก็จะแสดงทำให้คนที่มีใจละความตรันหีมีการให้ทานบางก่อนอันนี้เป็นธรรมดาประเด็นถ้าเราจะรักษากาเลนามิตในระดับที่สองก็จะต้องด้วยการที่มีเมตตาอย่างที่ว่าและมีศรัทธารักษาศรัทธาตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีในส่วนี้ระดับที่3เรื่องของกาเลนามิดคืออริยมรตมีองค์แเนี่ยเราจะรักษาตรงนี้เอาไว้ได้ก็ด้วยการที่ปฏิบัติให้ดีการเอามาทำให้ดีเอามาใช้การบอกต่ออย่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย ถ้าบอกว่าเราทําเป็นคนสุดท้ายที่จะทําไปข้อปฏิบัติอันนี้แต่ให้มีการบอกต่อสอนต่อนะบอกต่อสอนต่อด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองนะเอามาทําให้มากทําซ้ําทำำําย้ําคนที่มีการทําให้เจริญตรงนี้จะรักษาอริยามรรคมีองค์แไว้ได้ถ้าเราจะอยู่ในทางได้รักษาอริยามรรคมีองค์แจิตใจเราให้มีกําลังได้เนี่ยพระเจ้าก็จะพูดถึงกุณ ธ, ธรรม5ประการนั่นคือศรัทธาวิทยาสติสมาัมปัญญาอันนี้คือเรื่องของภะละที่จะสามารถจะทําให้เราอยู่ในทางได้ เรื่องของกายแมิดทั้ง3ระดับในวันนี้ครัพเจ้าก็ได้พูดถึงประเด็นแยกแยะให้ฟังนะว่ามีอะไรบ้างในแต่ละระดับต่างคนที่เราจะดูได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เทียมมิดวิธีการที่ถ้าเราเจอมิดที่ดีแล้วในทั้ง3าระดับเนี่ยเราจะรักษาไว้ได้อย่างไรท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อเสนอใดๆใดสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าใบเสนอจดเขียน ม, มาที่วัดป่าดอนไฮโศเลขที่1หมู่8ตําบลดอนไฮโศอำเภอบางานจังหวั ด, ดอุดรธา น, นี เรืองาวงเว็บไซต์กระเพื่อมธรรม .com, puredhjmm.com ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญพิปุญโญชญพร